ตัวเองนั่นแหละไปว่าแล้วนะอดกั้นไม่คิดเพราะว่าจิตมีดวงเดียวแหะมันไม่ใช่มีหลายดวงนะอ่ะตัวเองไม่เป็นตัวเองแล้วมันไม่ได้เราะนั้นต้องรู้ตัวจะรู้ตัวได้ก็เพราะว่าอาศัยติตนี่นหะมันยังเข้าไปถึงจิตโ่นถึงความรู้เนื้อ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 พอเมื่ออารมณ์นั้นถอนออกไปแล้วมันจะเบาปลอดโปร่งขึ้นมาเมื่อมันเบาโปร่งแล้วแล้วมันก็รวมลงได้เมื่อมันรวมลงไปแล้วก็ไม่ไม่ต้องได้สะกดอะไรแบนี้นะมันเป็นเองมันนะบัดนี้เมื่ออารมณ์ต่างๆเลยมันระงับไปแล้วมันมันก็รวมลงไปอยู่ที่เดิมของมันนะจิตนี่นะ มันอยู่ที่เดิมของมันไอนี้เมื่อมันยึดอารมณ์ต่างๆไว้อยู่นี่มันก็ฟูขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นให้สังเกตตัว <c oughs> ดังนั้นเมื่อจิตมันเบามันโปร่งแล้วมันรวมตัวลงไปเป็นหนึ่งลงไปอ่ะนั่นแหละมันจึงเป็นสมาธิแบบ น, นี้น ะ, ะแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีแต่สติประคองไว้ ไม่ได้อดไม่ได้กลั้น อ, อ่ไม่ได้คมแบบ น, นี้นะมันได้คมแต่ทีแรกนี่แหละที่มันยังไม่รวมลงมันยังไม่ละอารมณ์ต่างๆนี่นะเราต้องได้ช่วยคมช่วยอดเป็นยังไแล้วประกอบกับปรับลมหายใจนี่ให้มันสม่ำเสมออย่าไปหายใจ แ, แรง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 มันมันแน่วแน่จริงเหรอมันก็รู้ได้ตอนที่เราไม่ต้องข่มมันไม่ต้องอดกั้นอะไรมันก็อยู่ได้โดยลําพังเพียงแต่ปรับลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันค่อยค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอย่างนี้นะมันก็รู้ได้แล้วว่าจิตมันตั้งลงแล้วแบบนี้นะอืมและอีกอย่างหนึ่ง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 วิธีเพ่งกสินนี่มันทําได้ยากคนไม่สามารถจริงๆทําไม่ได้ต้องเพ่งเอาจริงๆเพ่งวัดตัวในหนึ่งภายนอกเมื่อมันติดตาจิตใจแล้วก็จึงค่อยน้อมนิมิตอันนั้นเข้ามาภายในให้มันมากระจ่างอยู่ภายในนี่ถ้าไม่เพ่งกระสินอย่างนั้นก็ไม่จําเป็นต้องเพ่งออกไปนอกพยายามเพ่งอยู่ภายใน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 เพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เพ่งอยู่ภายในนั่นเอเพ่งไปเพ่งมาอารมณ์ที่ใจมันยึดถือไว้นี่มันระ ง, งับไปแล้วจิตก็ผ่องใสขึ้นมาเป็นอย่างเมื่อจิตทองใสแล้วเราจะนึกดูอวัยวะร่างกายภายในนี่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็เห็นได้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 เราจะปรากฏในใจให้ใจได้เห็นแต่กระดูกที่โครงกับซี่โครงกับโครงกระดูกนั่นแหละมันเห็นได้อย่างนั้นแล้วมันก็เพ่งอยู่นั่นเพ่งพินิษฐ์แบบนี้น ะ, อะเออคนเรานี่เมื่อตายลงไปจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วถ้าไม่เผานะ ทิ้งไว้บนดินนี่เนื้อหนังมังสาในเลือดเนื้ออันใดก็เบื่อยเน่าละลายออกไปหรือไม่ฉะนั้นก็มีสัตว์อื่นมากัดมากินไปเป็นพวกสุ น, นัขพวกกาพวกแรง้งต่างๆอย่างนั้นเนยมันมาจิกกินไปมันก็ หมดไปหมดไปในที่สุดก็เหลืออยู่แต่ร่างกระดูกเท่านี้เองกระเพ่งดูแล้วก็สอนตนอยู่ในนั้นแหละนี่ดูสิคนเราเนี่ยแต่เมื่อบุญกรรมยังหล่อเลี้ยงชีวิตนี้อยู่ร่างอันนี้มันก็ยังไม่แตกรกระจายกระจายกัน พอหมดปุลนหมดกรรมที่เราเลี้ยงอุปธรรมบำรุงรูปกายอันนี้ไวแล้วร่างกายอันนี้มันก็เป็นอย่างนี้ผลสุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูกเท่านี้ฉะไหนแตะจึงไปหลงรักหลงชังนักหนา <c oughs> ฉะไห น, จ, นจึงไปปรารถนายิ่งนะักระสอนตนเข้าไปอย่างนี้อันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาสอนจิต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 ก็มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหมายเอาดวงกิดนี่แหละมาอาศัยอยู่ในสภาวะธาตุอันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรแล้วก็ทั้งโสโครกโสกรปกด้วยมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามนน <c oughs> เมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญานี่มันก็เบื่อหน่ายนั่นแหละในระยะนี่แหละที่ท่านกล่าวไว้ว่า ในระหว่างสมถะเก้าอิปัสตนานี่ยนะมันจะเกิดวิปัสนูขึ้นหรือบางทีมันก็มันจะเกิดเป็นภาพมาหลอกหลอนเข้าไปให้เกิดความเห็นเคลื่อนขัดา จ, จากความเป็นจริงไปคือมันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นแปลกแปลกต่างๆขึ้นมาอหรือบางทีก็เกิด สีเกิดแสงอะไรแวววาวขึ้นมาทําให้เกิดความปลื้มใจแล้วก็สำคัญว่าตนได้บรรลุธรรมอันวิเศษก็ไปเห็นแสงเห็นสีต่างๆหมดนั้นขึ้นมาแล้วนึกว่าเป็นแสงธรรมสีธรรมอันวิเศษนั่นนี่อันนี้แหละมันมันทีทันเรีวกว่าพิปัลราชนะให้เข้าใจ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 เมื่อมันปรากฏอยู่ช่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปอย่างนี้ใจก็เบิกบานยิ่งขึ้นเลยถ้าว่ามันเกิดแสงสว่างอย่างว่านะ น, นะถ้ารู้เท่าก็เป็นวิปัสสนาถ้าไม่รู้เท่าก็เป็นวิปัสนูปกิเลสไปทําให้ไม่ได้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงได้นี่ต้องให้เข้าใจไว้ แต่บางคนมันก็ไม่เป็นไม่เกิดวิปัสสนูอุปกิเลสอย่างนี้ขึ้นมาก็ก็มีพิจารณาไปก็เห็นตามสภาพขวงเป็นจริงไปเลยส่วนที่เป็นรูป ก, ก็ดีส่วนที่เป็นนามก็ดีอย่านี้แหละส่วนที่เป็นรูปมันก็มีการแตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละส่วนที่เป็นนามธรรมา มันก็เกิดดับเกิดดับอยู่กับจิตนี้แหละเพราะน้ำ ม, มาทำมันเป็นอาการของจิตเกิดขึ้นที่จิตนี้เองนะจิตไปสัมผัสกับร่างกายอันนี้แล้วก็เกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณขึ้นมามันเป็นยางไงทีนที้ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อรูปแตกน้ำก็ดับอืมันก็เป็นความจริงนะ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 ดังนั้นเนะี<ม>่ยก็ต้องกําหนดรู้ว่านามธรรม น, นี่เมื่อมันรูปมีอยู่ก็อาศัยรูปอยู่พอรูปนี้มันแตกสลายลงนามธรรมมันก็ดับไปตามกันแล้ววิปัสสนาญาณต้องกําหนดรู้ความเกิดความดับของรูปของนามอย่างนี้ <c oughs> ต้องรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่